เรื่องอุบาสกชื่อจุลการนังฟังธรรมถูกทำร้ายพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกอุบาสกชื่อจุลการความพิสดารว่าวันหนึ่งโจนลักของจากเรือนเจ้าของทั้งหลายติดตามไปแล้วทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมคติาอยู่ในวิหารตลอดราตรี เจ้าของทั้งหลายเห็นเขาแล้วจับไว้และวโบยตีอุบาสนั้นหมู่นางกุมพธาสีคือคนใช้ตักน้ําเดินไปท่าน้ําพบเข้าจึงช่วยแล้วยืนยันว่าอุบาสนี้ไม่ใช่โจรเขารอดตายเพราะอาศัยพวกนางกุมพธาสีช่วยไว้จึงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังพระศัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลกาลอุบาสก ได้ชีวิตเพราะนางกุมพธาสีและความที่ตนไม่ใช่ผู้ทาด้วยว่ า, ธ ร, าธรรมดาสัตว์ทาบาปด้วยตนแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองในอบายส่วนสัตว์ทั้งหลายทากุศลแล้วไปสู่สุขติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงตรัสเป็นพระคาถาว่า บาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้สุทธิอสุธิปัจจตังนายโยอันยางวิโสทเย คำอธิบายความบริสุทธิ์คือกุศลกรรมความไม่บริสุทธิ์คืออกุศลกรรมในการจบเทศนาจุลการอุบาสกตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละ เรื่องพระอัตถพัทธเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระอัตถพัทธเทระความพิสดารว่าพระอัตถพัทธเทระคิดว่าได้ข่าวว่าพระศัสดาจักปรินิพานโดยการล่วงไปอีกสี่เดือนอันตัวเรายังไม่มีราคะไปปราดเคยยังไม่ปราศจากราคะ เราจักเพียงพยายามทํำเพื่อพระศัสดาขณะมีพระชนอยู่เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงตั้งใจเพียงปฏิบัติบูบชาไม่ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเหมือนพระรูปอื่นเ่าภิกษุทั้งหลายจึงไปฟ้องพระศัสดาพระศัสดาทรงตรัสสาธุ ก, การแก่พระเทระนั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดศีเนหาในเรา ผู้นั้นควรเป็นดุจอัตตาพัท ธ, ธด้วยว่าชนทั้งหลายบูชาอยู่ด้วยวัตถุต่างๆมีของหอมเป็นต้นยอมไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยอมชื่อว่าบูชาเราแล้วทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่พึงยัางประโยชน์ตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มาก รู้จักประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนในการจบเทศนาพระเทระนั้นตั้งอยู่ในพระอารหัตตผลเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ภิกษุผู้ประชุมกันทั้งหลายดังนี้แหล